อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมการศึกษาพระธรรมอะที่ไหนเรากุศลเจริญเราก็อยู่มากหน่อยที่ไหนเราคิดว่าเราจะเจริญงอกงามในธรรมะได้เราก็เอาที่นั่นก็ว่ามันถ้าหากว่าเราไม่เอากุศลธรรมเป็นหลักไม่เอากุศลจิตเป็นหลักเราก็คือผิดพลาดละเพราะว่าจิตของนักบวชก็คือการประพฤติพรตบาเพ็ญพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นก็เป็นชื่อของ ศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าอยู่ที่ใดแล้วก็ไม่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือทรงตัวอยู่เฉยๆไม่เจริญมากขึ้นก็แสดงว่าที่นั่นควรพิจารณาละควรพิจารณาถ้าหากว่าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระสมัยพุทธกาลนั้นจะจาริกค่อนข้างมากจาริกพระองค์ก็เลยแสดงโทษของการเดินทางมากเกินไปหนึ่งแล้วก็แสดงโทษของการอยู่กับที่อย่างหนึ่ง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 ป่วยอาการมันหนักช่วงไหนมันค่อยๆสางขึ้นมาบ้างช่วงไหนมันสบายช่วงไหนมันเบาหน่อยอะไรเนี่ยก็ต้องแยกแยะได้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันต้องสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าช่วงนี้เบาจากโรคคือกิเลสไหมเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปีสองปีสามปีเป็นต้นก็พอหาได้ แต่ผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีโรคทางใจเนี่ยแม้ชั่วครู่หนึ่งหาได้ยากเวน้นท่าขีนาศกเว้นพท่าด่านอันของเราก็คือโรคมันไม่ค่อยกำเริบมากก็ถือว่าใช้ได้และโรคไม่กำเริบแล้วก็ยาเนี่ได้รับมากขึ้นมากขึ้นเจริญ ง, งอกงามในกุศลธรรมมากขึ้นก็แสดงว่านั่นแหละคือกิจของเราอันถ้าหากว่าเราไม่บำเพ็ญกิจอันนั้นเข้าไม่เจริญกุศลอันนี้เราก็เรียกว่าเจอ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 แล้วก็มีการเสื่อมสลายไปในที่สุดมันเป็นธรรมชาติของสังขารทุกอย่างในโลกนี้เราจะสําคัญผิดสําคัญถูกสําคัญมันยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งมันนั่นแหละธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ขึ้นก็รีบเจริญกุศลกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายนันถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลได้เนี่ยเราก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกัน ในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายาวันนี้ก็ขอกล่าวถึงพระสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณะมหาหัตถิปโธปมัสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับรอยเท้าช้างใหญ่รอยเท้าช้างซึ่งเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างจะชอบมากตอนเยน็เยนก็เอาสูตรนี้มาเอาของชอบมาให้ไม่รู้คนอื่นชอบด้วยหรือเปล่าไหรับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า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 กุศลนี้ก็ส่วนหน <Right. S 1> ึ่งแต่กุศลทั <Finnish> ้งหมดก็ประชุมลงในอริยสัจอริยสัจมีสี่อย่างกุศลธรรมทุกชนิดสงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้มีสี่อย่างสี่อย่างคือทุกขอริยสัจหนึ่งทุกขาสมุทัยอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหนึ่งอริยสัจทั้งสี่ประการ ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกุศลธรรมถ้าหากว่าการเจริญงอกงามในกุศลธรรมต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่รู้อริยสัจมากขึ้นในการศึกษาพระธรรมคําคสอนแสดงว่าไม่เป็นการเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกข์อาลัยสัจเป็นไฉนแม้ความเกิดเป็นทุกข์ชาติพิพิทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาราพิทุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความเศร้าโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์แม้ความที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่สมหวังไม่สมความปรารถนาไม่สมใจนึกอ่ะนะนึกอย่างนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ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 เพราถ้าหากว่าขยายไปตามนั้นจบไม่เป็นอ่ะแม้แต่กําเนิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ต่างถินต่างชาติต่างภาษาต่างศาสน า, ต, า, ศ า, ศาต่างวันนะเกี่ยวกับเรื่องเกิดนี่ก็มากมายเกิดมาแล้วเจ็บอีกแล้วโรคภัยไข้เจ็บมีมากมายมหาศาตลโรคชราอีกเพราะนั้นความทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นประมวลมาแล้วก็คืออุปาทานขันห้าถ้าไม่เอาอุปาทานขันห้ามาสรุปนี่เราเรียนไม่หวาดไม่หวานเหมือนกัน ถ้าประมวลมาเป็นขันห้าปั๊บโอ้ทุกทั้งหมดที่ว่าก็คือขันห้านั่นเองเจ็บไหมทุกในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เตี้ยรชนันหรือว่าทุกในหมู่มนุษย์หรือเทวดาทั้งหมดเหล่านั้นก็คืออุปาทานขันห้าเท่านั้นแหละก็อุปาทานขันห้าเป็นฉไหนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานอขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขาร อุปาทานขันคือวิญญาณก็คืออุปาทานขันห้านี่แหละคือตัวตัวทุกข์ก็อุปาทานขันคือรูปเป็นฉไนะขันมีห้าใช่ไหมขันห้าเอายกมารูปประขันก่อนรูปประขันก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ก็คือดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มหาภูตรูปสี่เป็นฉไนะคือปฐวีธาตุอาโปธาตุ เตโชธาต์วาโยธาต์เรียกว่าเอามาแค่สี่อย่างที่จริงรูปทั้งหมดมียี่สิบแปดนั้นกล่าวมาแค่สี่อย่างขึ้นต้นแล้วเนี่ยกุศลธรรมทั้งหมดอยู่ที่อริยาาสัจสี่ใช่ไหมอริยาาสัจคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคในอริยาาสัจสี่นี้สามข้อยังไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะทุกขาริยาาสัจอย่างเดียวทุกขาริยาาสัจก็ยังแบ่งออกเป็นขันห้า ในขันห้านั้นอะ่ะเอาแค่รูปประขันมาอย่างเดียวนะรูปประขันมียี่สแปดก็ไม่เอาหมดเอาแค่มหาพุรูปอย่างเดียวดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปฐวีธาตุเป็นไนธาตุดินเนี่ยเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุที่เป็นไปภายในก็มีปฐวีธาตุที่เป็นไปภายนอกก็มีปฐวีธาตุมีสองอย่างคือทั้งภายในในก็คือในไหนในร่างกายของเรานั่นแหละ ภายนอกก็คือนอกร่างกายของเราก็ปัทวีธาตุที่เป็นไปภายในเนี่ยเป็นฉนะไหนก็คืออุปาทิน agara รูปอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็นแข็งเป็นของหยาบอะไรที่มันแข็นแข็งอะไรที่มันหยาบซึ่งมีอยู่ภายในตนอ่ะที่มีอยู่ภายในร่างกายนั่นแหละเรียกว่าปัทวีธาตุภายในประกอบไปด้วยพรม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 เป็นของแข่นแข็งเป็นของหยาบอย่างอื่นนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในเอาส่วนที่มันหยาบหยาไปนะซึ่งมีอยู่ในกายของเราเนี่ยนะเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเ บ, บื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบถ้าหากวัตถุทั่วไปก็จะกล่าวในลักษณะของปฏิกูลใช่ไหมเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้แต่ตรงนี้นี่แสดงในลักษณะธาตุ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 หรือว่าของที่มันแข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเหล่านั้นอะเรียกว่าปฐวีธาตุก็ปฐวีธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในและปฐวีธาตุอันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นปฐวีธาตุแลปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกเช่นก้อนอิดก้อนหินภูเขาต้นไม้มบหญ้าเนี่ยพวกนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายนอกซึ่งมีลักษณะหยาบมีลักษณะแข็งแข็งทั้งหมดเหล่านั้นก็คือปฐวีธาตุ บัณฑิตพึงเห็นปฐวีธาตุนั้นนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอะไรปัญญาในที่นี้หมายถึงเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราก็คือไม่ตามเห็นปฐวีธาตุด้วยอํานาจของโลภะเราไม่เป็นนั่นก็คือไม่ตามเห็นปฐวีธาตุด้วยอํานาจของ มานะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราไม่ใช่ตนหรือเรียกว่าอัตตานั่นเองถามว่าเห็นอย่างไรตามเห็นปัทวีธาตโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าปัทวีธาต์นะทั้งภายในทั้งภายนอกก็มีสภาวะไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแลลวไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนั่นเองบัณฑิตครั้นเห็นปัทวีธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายใน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 ฟันเหมือนกันเลี้ยงดีก็ดีเลี้ยงไม่ดีก็เอาเรื่องกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแม่หมัวใจตับตไตไส้ตอดก็เหมือนกันมันเขาก็ไปตามเรื่องตามราวของเขาเพราะเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมปัจจัยแห่งมหาภูต ร, รูปเหล่านี้ก็คืออะไรถ้าร่างกายภายในเราก็เกิดจากกรรมถ้ากรรมไม่แต่งตันหาไม่ปรุงไม่สร้างกายมันก็ไม่เป็นลักษณะนี้ แต่ก็ด้วยอำนาจของตันหาด้วยอำนาจของอุปาทานด้วยอำนาจของกรรมนั่นแหละมีอาหารเป็นพี่เลี้ยงดูแลรักษาเอาไว้เป็นอย่างนี้ฉนั้นผู้ที่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะว่ามีแล้วก็ไม่มีมีแลว้วก็หมดไปเป็นของซึ่งอยู่ชั่วคราวระยะหนึ่งเราก็คิดดูนะว่าปฐวีธาตุเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาทีแรกก็ไม่ได้โตขนาดนี้เนาะ กินข้าวสุก ข, ขนมสดมาเรื่อยๆก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเขค่อยโตค่อย โ, โตตันหาและทิฏฐิเนี่ยเข้ายึดเลยนะเราของเราเป็นอัตตาของเราจริงเขาก็มาตามหน้าที่ของเขาทีนี้พระสารีบุตรท่านก็อุปมาว่าสมัยที่ปัทวีธาตุที่เป็นไปภายนอกกรรเริบย่อมจะมีได้แลในสมัยนั้นปัทวีธาตุอันเป็นไปในภายนอก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 ขนาดว่าแผ่นดินซึ่งมันใหญ่โตมากมายก็ยังเป็นของที่มีความสิ้นมีความเสื่อมเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะเห็นภูเขาทั้งลูกในสมัยนี้เดี๋ยวก็ระเบิดเต้นมาแล้ใช่ไหมฮะมาทําถนนตึกรามบ้านช่องซึ่งมันใหญ่โตมันก็ยังแตกก็ยังทําลายยังแตกสลายพระเจดีย์บางทีพระเจดีย์ใหญ่ๆก็ยังแตกทําลายยังแตกสลาย ขนาดของมันใหญ่โตอย่างนั้นก็ยังเสื่อมสลายไปหรือว่าแผ่นดินใหญ่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะถึงชั่วระยะกลับเสื่อมสิ้นไปแผ่นดินใหญ่นี้ก็ถูกตัวอะไรถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วมถูกลมพัดกระจัดกระจายหมดเพรา ะ, ะนั้นเป็นของที่ไม่ได้มีความคงทนถาวรมั่นคงอะไรขนาดของภายนอกเหล่านี้ก็ยังไม่มีความ คงทนไม่มีความมั่นคงอะไรแล้วนะภาษาร้ายกัไอของภายในเนี่ยเนาะเอกบางจะตายไปน่าสัจรย์นนะการมีชีวิตอยู่ได้ไม่น่าอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้เนาะหล่อเลี้ยงอยู่ได้เนี่ยเป็นของที่น่าสจัจรย์แต่ก็ชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเพราะว่ากรรมม่ช่รูปส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมถ้ากรรมเขาไม่อุปถัมภ์กรรมเขาหมดปัจจัยกายนี้ก็ต้องแตกทําลายไปเป็นธรรมดา คือขนาดของภายนอกอยังแปรปรวนไปเป็นธรรมดาได้เนี่ยก็ชะไหความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปถือเอาแลว้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดกาลพอประมาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาซึ่ง ไม่เที่ยงใช่ไหมมีแล้วก็ไม่มีมีแค่ช่กครั้งทุกคราวเท่านั้นเองอันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แสดงว่าผมนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยผมเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไหมไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตราของเราก็ไม่ควรเนาะผอมขอนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็ เป็นลักษณะนี้ของเขาอะ่ะซึ่งเป็นของที่อยู่ชั่วคราวเป็นของที่อยู่ได้ไม่นานแต่ด้วยอำนาจนิจจาวิปปาราตนะนะสาคัญว่าเหมือนกับถาวรเหมือนกับมันมั่นคงทงั้งทั้งที่ความเสื่อมสิ้นสลายไปของของร่างกายของคนอื่นก็มองให้เห็นตั้งมากมายใช่ไหมคนตายให้เห็นก็เห็นเกือบทุกวันไปงานศพเนี่ยก็บ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ตกเราสักที ไม่ค่อยคิดอย่างนี้ใช่ไหมไปงานตบเออมีแต่ของคนอื่นแหละไม่ใช่เราเพราญาติคนอื่นไม่ใช่ญาติเราอีกนั่นแหละแต่ใกล้ตัวมาเมื่อไหร่ก็ไอ้ชักชสะดุ้งแม่นะดังนั้นถ้าหากว่ามีการเจริญมีการพิจรารณามีการใคร่ครวญบ่อยๆมากขึ้นความยึดถือเป็นต้นก็จะน้อยลงความยึดถือนั้นเป็นชื่อของอุปาทานอุปาทานมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษเพราะอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่แก่ภพเนาะ เพราะเป็นปัจจัยแก่อะไรชาติชาติก็อะไรตามมาชรลาก็ตามมาชร า, ามื่อะไรตามไม่อีกตายแล้วเกิดมันจะไปยากอะไรนะของมันเร็วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าเหมือนความฝันเหมือนของข อ, งของยืมเข้ามามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามมาตัญหามาณนะทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลย เมื่อตามเห็นลักษณะนี้บ่อยๆปัทวีธาที่มีอยู่ในกายนี้ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะหากว่าชนเราอื่นจะด่าจะตัดเพาะจะกระทบกระเทียบจะเบียดเบียนเยพกยงนั้นไส้เกิดไปถูกด่าเป็นต้นมาเนี่ยนะเพียงส่นั้นย่อมรู้ชาติอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแกเรา ก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นแลอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุเนี่ยจะมีไม่ได้ใช่ไหมความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะที่เกิดก็เกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่เกิดทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีได้เวทนาเนี่ยเพราะอะไรมีจึงมีเวทนาเพราะผัสสะทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้ทุกขเวทนาเนี่ยที่ด่าที่ด่าก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาแสดงว่าเจ็บใจใช่ไหม เจ็บใจนี้ก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เกิดจากโสตสัมผัสพิกษุแม้นั้นแลย่อมเห็นโสตสัมผัสนั้นเป็นของไม่เที่ยงเพราะภาษามีอะไรเป็นปจัจจัยภาษะก็เกิดจากสลายตนะถ้าตรงๆสลายตนะก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทำให้เกิดจิตใช่ไหมหูเสียงโสตวิญญาณความประชุมสามอย่างเรียกว่าภาษ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 เธอพวกนามรูปพวกนี้เป็นปัจจยัยวิญญาณจึงมีถ้าไม่มีนามรูปเหล่านี้วิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ไม่เที่ยงจิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเทียวของพิสูจนนั้นย่อมแล่นไปย่อมฝอยได้ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากจากความยึดถือในในสิ่งเหล่านี้เพราะขณะนั้นเกิดการพิจารณาเรียนรู้ธรรมะในขณะที่หูได้ยินเสียง ํามว่าพิจารณาตอนถูกด่าอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมเอาไหมหรือว่าตอนถูกด่าก่อนแล้วค่อยพิจารณามันก็พิจารณาทุกคราวนั่นแหละเป็นไปได้ขณะนี้ก็หมั่นฝึกพิจารณาบา่อยๆเพราะว่าคำสอนเหล่านี้เพื่อให้สาวกทาทําอะไรทําปริญญาพราะองค์ตรัสเพื่อให้เรามีปริญญาปริญญาแปลว่าแปลว่ากาหนดนี่มันแคบไป ถ้ากำหนดนี่คนทั่วไปนี่คิดเหมือนแต่เบกคแค่นั้นเออเสียงนังน่งน่ะกำหนดดูสิหนดดูสิมันก็จะอยู่แค่นั้นแหละซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะ น, นัน้นคำว่ากำหนดนั้นอ่ะยาตะปริญญาเนี่ยเป็นการรู้รอบรอบรู้วิจัยสิ่งเหล่านั้นตามตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยวิจัยไม้กระทั่งเสียงเกิดจากสมุทฐานเท่าไหร่สองใช่ไหมเสียงเกิดจากจิตกับอุตุแล้วอุตะมีกี่ชนิดอ่ะ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 อันพวกนี้จะต้องศึกษาเรียนรู้พิจารณาอย่างอย่างดีอย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาหูด้วยพิจารณาโสตวิญญาณด้วยพิจารณาภาสะเวทนาด้วยเพราะฉะนั้นจิตก็ไม่ยึดถือในถ้าหากว่ามีการพิจารณาทางหูก็เป็นลักษณะนี้หากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทําร้ายพิสูจนนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจทางกายเนี่ย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 ที่เป็นไปด้วยการประหัตประหารด้วยทอ่อนไม้บ้างเป็นที่เป็นไปด้วยการประหัตประหารด้วยสาตราบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาชะแกการถูกกระทบกระทั่งกระทบก ร, ระเทียบภายนอกเนี่ยที่มากระทบกายเพราะว่าโทธารมเนี่ยนะก็คือพวกโพธารมบางอย่างก็มาจากมือโพธารมบางอย่างก็เป็นไม้ <c oughs> โพธารมบางอย่างก็เป็นมีดอย่างเงี้ยก็ธรรมดาก้อนดินทอ่อนไม้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึง พระสูตรที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยในกะกะจูประมสูตรกล่าวว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าเพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเรื่อยอันมีด้ามสองข้างซ้ายภิกษุผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้าย ในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้เชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้ขณะถูกประหัดประหารแล้วจิตโกรธขณะนั้นเชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอว่ามีไหมคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มีโทสะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวินยัยวินัยแปลว่ากําจัดกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะ ถ้าหากว่าเราได้รับการกระทบกระทั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตเป็นโทสะเป็นต้นก็ขณะนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราโกรธขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนขณะนั้นตกจากนะศาสนาแล้วนะโทสะนี่ไม่ได้นับถือว่าผู้พุตธเจ้านะอันหนึ่งความเพียนเป็นอันเราปรารถบแล้วจกเป็นคุณชาติไม่ย่อย่อ เพียรเพียรทำอะไรเพียรที่จะพอกพูนกุศลอันนี้มากๆสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้วจักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมสติเนี่ยสามารถวินิจฉัยดีชั่วได้ใช่ไในขณะนั้นในะถ้าปล่อยให้โทสะเกิดนี่เสียหายแน่ใช่ไหมนรกแน่แนอนเลยนรกเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นแช่งแต่เกิดจากอกุศลและเป็นเหตุให้ไปสู่อบายสติเนี่ยจะไม่ประมาทใช่ไหม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 วิปัสนาก็ยังไม่ดำเนินไม่แล่มต่อไปเพิกศูนนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นโอ้ขณะระดมความรู้ตามระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็แล้วเนึกถึงคุณของพระธรรมก็แล้วเนึกถึงมาสองไงแล้วถูกเขาด่าพระพุทธเจ้าเอามาสลับกันไงถูกด่าทีก็ถูกสลับมาทิง้งเพิกศูนนั้นก็สลดใจว่าโอ้ไม่เป็นลาภของเราหนอะลาภไม่มีแกเราหนอะ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 กุศนก็ยังไม่เกิดอ่ะขนาดเรานี่ไม่ได้ดีแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้โอเบขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีดังนี้โอสังเวทใจอย่งนั้นเถอะกระว่าให้รู้จักสรดสังเวชใจเหมือนเปรียบเสมือนหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วสลดใจสะพ้ยสมัยก่อนก็สลดใจง่ายนะสมัยนี้ไม่รู้เป็นงั้นหรือเปล่าเนาะ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 โซตาวิญญาเรื่องภาษะเรื่องเวทนามันยังไม่ยอมอ่ะการจิตไม่ยอมเลยก็บอกโอ้เรานี่ไม่ได้ดีแล้วเนาะถ้าไม่ได้ดีนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมเสียหายแล้วอากุศลเนี่ยเกิดอากุศลเนี่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้ผลได้กี่อย่างให้ผลชาตินี้ก็ได้ให้ผลชาติหน้าให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปแล้วถ้าให้ผลนําเกิดเกิดที่ไหน อาคุสนก็ให้เกิดในอบายทุคติวินิบาดนรกนั่นแหละโอ้ยเราเนี่ยขณะเจอเจอพระศาสนาเจอพระธรรมคาสอนของผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับได้ยาแล้วก็ยังป่วยอยู่นั่นแหละโอ้ยน่าสงสาร น, นะใครมันจะน่าสงสารเท่าเราเนอะพอเห็นโทษเด้อเนี่ยตนต่ อ, ต อ, ตอแห่งความทุกข์อยู่นี่แหละที่สูนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแหละสลดใจเธอสังเวชใจเธอโอ้ยเจริญกรุณาตัวเองมากมากเลยนะ ถ้าเจ้าไม่ไปนะรกแล้วใครจะไปใช่ไหมเอา้าโทสะนี่โทสะมันเกิดกับใครมันก็พาคนนั้นไปอาบายทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ตกนรกแล้วใครจะตกอ่ะเพราะเรามีโทสะใช่ไหมก็รักกันขนาดนั้นพิจารณาปั๊บเนี่ยนะพอพูดถึงนรกนทิมพ์กลัวนะไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่ไปพอไม่ไปทำไงอะ่ะรีบเจริญกุฏอนเอาใหม่เอาให ม, หม่พิจารณาใหม่พิจารณาใหม่ถ้ามันยังไม่เดินเอาใหม่อีกทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยๆเนื่องๆไม่เลิอกอะ่ะ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 ตกลงไปในจิตนะโทสะมันเกิดในจิตปั๊บเนี่ยนะอะไรตกไปบ้างรู้ไหมศรัทธาตกไหมตกไปแล้วฮิริหมดไหมขนาดนั้นอิริโอตปาอโลพาอโทสะตัตระมัชตตาปายะปสะัสสติโูเสียหายหมดแล้วนะวีรตีเจตสิกเนี่ยกลัวโทสะที่สุดเลยนะหนีไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้กรุณาเจตสิกมุทิตาเจตสิกปัญญาเจตสิกเนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยอะ่ะอันเสียหายมากมายแล้ว ใช่ไหมพวกปีติพวกวิริยะพวกอะไรเนี่ยหมดเปลี่ยนแะล้วนั้นเสียหายมากพิสูจนนั้นก็ถึงความสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นเหมือนกันแลหากว่าเมื่อพิสูจนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ด้วยดีไซส์คือพิจารณานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะ่ะคล้ายๆกับคน คนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมเป็นมีปัญหาอะไรมาก็พ่อแม่เป็นที่พึ่งบางใจก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ของเราก็มีเราไม่กังพ้าใช่ไหมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อย่างเนี้ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเราก็ระลึกถึงข่านพอระลึกยังไงโหวิวปัสสนาดําเนินไปนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาควบคู่กับการเจริญสมถะการระลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นสมถะใช่ไหม การที่เจรณาสภาพรรนนะไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นเสียงผัสสะเวทนาเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนั้นเป็นวิปัสสนาก็สลับควบคู่กับการเจริญสมถะไปลักษณะนี้นะวิปัสสนาก็ดำเนินไปด้วยดีเิกสุนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นเออยิ้มได้เลยนะปลื้มใจนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แล คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสูจนนั้นทำให้มากแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนแล้วแกเรียกว่ายิ้มได้เลยถ้าโอ้เนี่ยในบรรดาผู้ที่ ป, ปฏิบัติตามคำสอนเราก็นึงในคนนั่นแหละเพิ่มใจภูมิใจในตัวเองได้เหอเป็นเราเนี่ยไม่ไม่กำพร้าแล้วเรามีสารณนะเรามีที่พึ่งพระุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ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 ก็คือพิจารณาปฐวีธาตุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฐวีธาตุในกายนี้คือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเป็นต้นนั่นเองไม่เป็นไรเอาหน้าตูมีมาอ่านกันแล้วกันปวดกับปวดไปจิตก็อย่าไปปวดกับมันเราก็เจริญกุศลไปอ่ะไอหาอยู่หายยาก็หาไปไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าขณะที่หายาก็เจริญกุศลธรรมไปด้วยอ่ะคือ ที่เจรนาพวกกายพวกอันนั้นเป็นต้นอะ่ะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แนลนตาด้วยตามหลักมิปัตนาด้วยเจริญพุทธคุณด้วยหายาทาด้วยะนะอะไรหลายอย่างเอาะทีเรียกว่าเบนประเด็นออกไปก็เหมือนกับรถมันจะชนใช่ไหมหักพวงมาลัยหลบเท่าไหร่ก็ชนน้อยนหน่อยปวดมันก็ปวดอะไรยังไงมันก็ปวดแต่ถ้าไปปารบถึงเรื่องอื่นนะความปวดมันก็ลดลงสมมุตินะ่ะขณะบางคนเนี่ยเขามีความภูมิใจบางอย่างอยู่ ถ้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาภูมิใจยอยู่นะความปวดของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไป อ, อย่างยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านท่านเดินจงกรมขณะที่ท่านเดินยงกรมเนี่ยขามันแตกอะ่ะท่านก็เลยคลานนะคะเอาเขาเนี่ยเดินจงกรมไปงั้นเสร็จแล้วก็มีไอ้นายพรานเนี่ยเข้าไปในป่าโอ้ตะคุม่มตะคุม่มเนื้อแน่นอนเลยอะ่ะเอาหอกทิ่มเข้าไปพรวดเขาไปเจอพระเข้าไป แพงเลยอ่ะทําไงอ่ะพระก็เลยเรียกเพื่อนอ่ะผมเนี่ยถูกแพ้งอย่างเงีก็ให้พระเนี่ยมาดึงห่องออกเสร็จแล้วหาอะไรมาอุดอุดออกแล้วก็บอกว่าทุกข์ขั้นไปก่อนนะแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นเนี่แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ท่านพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านปาราถึงศีลเป็นต้นของท่านอ่ะท่านไม่ได้นึกถึงความปวดอันนั้นแต่ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านภูมิใจที่สุดอะไรที่ท่านภูมิใจก็คือศีลของท่าน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 มีปฐวีสีมีมนสิการถ้ามณสิการเมื่อไหร่กายาวิญญาณจึงจะเกิดถ้าไม่มนสิการไม่เกิดหรอกแค้นขาดถ้าไม่คิดมันก็ไม่ปวดใช่ไหมถ้าคนตัดความคิดได้ก็ไม่ปวดแล้วเรียกว่าทําเวทนาให้เป็นอโภโพหาเล็กทำให้เหมือนไม่มีอะ่ะก็คือไม่ไม่สนใจวิธีการไม่สนใจก็คือนึกถึงสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดอมีมีคนคนหนึ่งะนะเป็นฝรั่งเขาไปถอนฟัน เขาบอกว่าหมอเนี่ยถอนฟันธรรมดาการถอนฟันนี่จะปวดใช่ไหมเขาบอกว่านายคนนี้เนี่ยเขากําลังทํางานวิทยุอยู่เมื่อเขาทํางานวิทยุเนี่ยทําไงอ่ะขณะที่เขาปวดองั้นเขาไม่สนใจเรื่องฟันเขาเขานึกถึงรายการวิทยุของเขาเพเลเนอะ่ะหมอถอนไปตั้งหลายซี่แล้วหมอถอนหมอถอนบ้างหรือยังหรือว่ั้นบอกว่านี่ไงถอนไปแล้วฮะถอนนี่เหรอ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 เานั้นท่านก็พยายามน่วงนึกถึงพระธรรมคำสอนน่วงนึกถึงศีลอ่า น, นะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสีละคุณสีลคุณก็คือสีหลานุสติที่ท่านได้เคยศึกษาได้เคยประพฤติปฏิบัติมานึกถึงจารค้าของท่านนึกถึงคุณธรรมต่างๆของเทวดาใช่ไหมโอ้ยเราปวดก็ช่างแต่เทวดาเขามีศรัทธาเราก็มีศรัทธาปวดตายก็ช่างมังนดิตายก็ตายไป ใช่ไหมอย่างน้อยตายอย่างน้อยสวรรค์เนี่ยธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมดงนั้นถ้าคนมีบุญได้อย่างมันจะไปหนักใจอะไรทักอย่างนะป่วยก็ป่วยไปดิเจ็บก็เจ็บไปดิไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าหนักใจแต่คนไม่มีบุญอย่างว่าเนอะนึกถึงบุญองค์บุญมังไม่เคยทําเลยอย่างเงี้ยกับตัวใครกับตัวใครแล้วพระก็ช่วยไม่ได้แล้วแบบนี้ดังนั้นส่วนใหญ่นี้คนเนี่ยพอไปเจอปัญหาคาบขับนแล้วสำนวนไทยใช้คํำว่างไงรู้ไหมปัวหายแล้วคิดล้อมคอก พันประโยคะค่อนข้างวิบัติกายะประโยคน้าวจีประโยคะวิบัติยามที่มีเรื่องมีแรงยามที่พอมีสติมีกําลังมีปัญญาก็ไม่รีบศึกษาคําสอนเอาไว้ก่อพอไปเจอตอนนั้นไปแล้วโอ้ยพระก็ช่วยไม่ได้เด้อบอกพระก็ป่วยเหมือนกันอะไรเรไม่รู้จะแนะนําอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเขาเขามีความเข้าใจบางอย่างก็าสามารถจะช่วยได้หรืออีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเขาจะยังไงก็จะจ ะ, จะเกิดใหม่แน่นอนอย่งนั้นเถอะ ฟังว่าเกิดใหม่นี่เบาเนาะแล้ฟังว่าตายนี่ไม่สนุกเลยเนาะถ้าเขาจะเกิดใหม่แน่นอนอ่ะแล้วก็ให้เขาเกิดดีๆหน่อยก็คือสอนให้เขาสมาทานศีลได้อาศีล น, นะเป็นที่พึ่งเพื่อสอนให้เขารักษาศีลก็ได้สอนให้เขาถึงไตรสรณคมก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะมีโยมที่มาฟังตอนเย็นท่านหนึ่งไปเล่าให้ฟังว่าคนป่วยที่ลําพูนอ่ะนะเขาเขาก็ป่วยเสร็จแล้วก็บอเก็เคืองกับพูดไม่ได้แล้วก็ ไปแนะนําให้ถึงตรายสรารณคมแนะนําให้เขาสมาทานศีลเออเขาเอาแค่ว่าว่าเขาตายแล้วเขาก็ตายอย่างสงบเขาว่าการขณะที่ตายเขาก็อยู่ในศีลของเขาอยู่ในเข้าไปด้วยอาการที่สงบอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้เรียกขั้นโคมา่าแต่อ้ขั้นกําลังเดือดร้อนเนี่ยกําลังกวนกวยทุกทั้งกายทุกทั้งใจนี่อันนี้เนี่ยลําบากแล้ถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยลาบากเพรา ะ, ะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีความเข้าใจเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่าคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะ การร้องโอดโอยควรค้างถือว่าเป็นความถูกต้องเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นใหญ่มากๆขึ้นแต่ถ้าคนศึกษาพระธรรมเนี่ยจิตที่ทําให้เกิดการร้องโอดโอยควรค้างเป็นจิตชนิดไหนโทสะเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรเจริญไหมไม่ควรเจริญถ้าคนเข้าใจพระธรรมปั๊บแล้วก็เฮ้เราจะควรค้างไปทําไมเนี่ยต้มีภาพรูปหนึ่ง ท่านเป็นโรคลมอ่ะทีนี้เป็นโรคลมท่านก็คือการนอนดิ้นอ่ะนะตะกุยตะกายอุ้มโอ้ยมดิ้นมากลูกเสดก็บอกโอ้ธรรมณะธรรมนาควรอดทนไม่ใช่หรือครับท่านก็ปล่อยมืออดทนแค่นี้พอไหมว่า ง, งั้นไส้เนี่ยทะลักออกมาเลยลมมันเสียบแทงแล้วไส้เนี่ยทะลักเลยแค่นี้พอไหมว่า ง, งั้นและท่านก็จเจริญนิพพานนาด้วยเพรการศึกษาพระธรรมช่วยตั้งแต่ต้นเ น, นี่ยเป็นความดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ฝึก ไม่เจริญกุศลธรรมตั้งแต่ต้นแล้วยามสุดท้ายจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่ า, รยาประมาทนะอย่าไปถึงมันนั้นก่อนเลยสงสารตัวเองบ้างเตออแต่ของเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่หวังดีปาธนาดีตัวตัวเองนะรีบศึกษาพระธรไว้ก่อนเลยยังไงเนี่ยเกิดใหม่แน่เนาะเกิดที่ไหนล่ะก่อนตายนี่มีอะไรเป็นใบเบิกทางมีอะไรเป็นใบเบิกทางกรรมนิมิตคตินิมิตหรืออะไรดี ถ้ากรรมกรรมได้แก่กรรมมะอารมณ์นึกถึงอะไรนึกเมื่อก่อนนะเราได้สมาทานศีลตอนนั้นได้ศึกษาพระธรรมตอนนั้นได้จิตเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่านึกถึงกรรมมะอารมณ์โอโนึกถึงหนังสือนึกถึงพระธรรมคําสอนเคยไปให้ทานเคยไปทําบุญที่นั่นทนี่นี่นึกถึงภาพเหล่านั้นเป็นกรรมนิมิตรอารมณ์อันนึกถึงภาพเทวดาเกิดมาไม่เคยเห็นไม่รู้เป็นยังไงก็ไอ้สตินิมิตเนี่ยนึกยากหน่อยเอากรรมกับกรรมมะอารมณ์กันแล้วกัน พยายามนึกอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะนางสุปวารสาโกรยทัทิดาท่านมีคันอะมีคันอยู่เจ็ดปีคันหลงอยู่เจ็ดวันเพราะไอกุยามที่มันปวดคันทุกทรมานเนี่อาศัยตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วหนอพระธรรมเนี่ยสอนให้พ้นจากกองทุกเหล่านี้หนอพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติพ้นจากกองทุกเหล่านี้แล้ว ท่านอาศัยการและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือธรรมดาเนี่ยมันแทบทนไม่ได้แต่ว่าท่านก็ทนได้อันถ้าคนสามารถเจริญกุศลจิตได้นะเวทนาอันนั้นมันก็จะลดลงบ้างบางคนเนี่ยนะมันมันบางทีเหตุการณ์เกิดกับตัวเองนิดหน่อยนะโอ้เป็นใหญ่เป็นโตไปหมดเลยเกิดกับคนอื่นนะคอเขาขาดเรายังไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเท่าไหร่เลยใช่ไหมสมมติคนอื่นเนื้อรถไฟชนกันโครมแขนกุดขาขาดนะ เราเป็นสิวดูเราจะป่วยมากกับาเขาด้วยแต่คนทั่วไปมันยึดถือมากขนาดนั้นนะอล้ทีนี้ต่อไปมาดูอาโปธาตุดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อาโปธาตุเป็นไนะคืออาโปธาตุที่เป็นไปในภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นไปในภายนอกก็มีก็อาโปธาตุที่เป็นไปในภายในเป็นไงนะคืออุปาทินนกการูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบที่มีอยู่ในกายนี้มี น้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดเงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอสวรนะหรืออุปาทินกักรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเป็นของเอิบอาบอย่างอื่นนี้เรียกว่าอาโปธาตุในภายในของที่มีความเอืบอาบนะพวกเงือเป็นต้นเนี่ยที่มีอยู่ในกายนี้ ก็อาโปธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในและอาโปธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นอาโปธาต์แลนั่นก็คือธาตุน้าบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคือปฏิเสธการเกิดขึ้นของตัณหามา n นะและทิฏฐิไม่ตามเห็นตามยึดถืออาโปธาตุเหล่านั้นด้วยอํานาจของ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 น้ำที่เมืองจีนเนี่ยทะลักมาทิ้งคนตายเยอะน้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยทําให้คนตายเยอะในสมัยที่น้ํามหาสมุทรย่อมลึกไปชั่วร้อยโยต์บ้างสองร้อยโย์บ้างสามร้อยสี่ร้อยห้าร้ย ห, หกร้อยเจ็ดร้อยโย์ย่อมมีได้แหละน้ําทะเลเนี่ยบางแห่งเนี่ยลึกจริงๆสมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่เจ็ดชั่วลําตาบ้างบางครั้งเนี่ยน้ํำทะเลที่มันลึกขนาดนั้นก็ยังลดเหลือไม่กี่เมตรเองนะหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ขัวลำตาบ้างสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่เจ็ดชั่วบุรุษบ้างก็คือประมาณสิสี่เมตรสิบ้าเมตรอะลึกแค่นั้นเหกห้าสี่สามสองชั่วบุรุษหรือประมาณชั่วบุรุษเดียวก็คือประมาณเมตรเศษๆอย่างเงี้ยสองเมตรอย่างเงี้ยในสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่เึ่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงสะเอลบ้างประมาณเพียงเขาประมาณเพียงข้อเท้าย่อมมีได้แหละน้ําทะเลเนี่ยใครไม่เคยเห็นทะเลบ้างไม่มีเนาะเห็นมาหมดแล้ว ทะเลที่มันลึกมากขนาดนั้นที่ยังหาน้ํายากเลยอ่ะสมัยที่น้ําพอเปียกข้อนิ้วมือจะไม่มีในมหาสมุทรก็ย่อมมีได้แหละขนาดเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มในทะเลอ่ะให้มันชุ่มมือหน่อยก็ยังไม่ได้มันแห้งหมดอ่ะก็เชื่อว่าความที่แห่งอาโปธาตุอันเป็นไปในภายนอกซึ่งมากถึงเทียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจับปรากฏได้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 เป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักไม่ปรากฏเล่าใช่ไหม<า Car Aber>ไอข <seafood> นาดน้ําภายนอกมันยังเหือดแห้งน้ําในเขื่อนบางทีอะเหลืออย่างนี้เดียวแล้วน้ําที่อยู่ในกายเนี่ยจะมั่นคงถาวรอยู่เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามารถตันหามานะและทิฏฐิในอาโปธาจะย่อมจกไม่มีแก่ผู้นั้นเลยถ้าหากว่าถูกด่าเป็นต้นก็ตามระยะที่ผ่านไปแล้ว หากว่าเมื่อพิสูจน์นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีไซสจนถึงถูกเขาด่าถูกเขาทุบตีเป็นต้นก็ตามระลึกนึกถึงกุ่มของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนะแล้วกุศลธรรมก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีพิสูจนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แหละคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นอันที่สุดทําให้มากแล้ววิธีการปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าก็การพิจารณ า, าธาตุน้ําที่มีอยู่ในกายนี่ก็ช่วยได้เยอะดูการท่านผู้มีอายุทางหลายก็เตโชธาตเป็นไนะคือเตโชธาตที่เป็นไปในภายในก็มีเตโชธาตที่เป็นไปในภายนอกก็มีก็เตโชธาตที่เป็นไปในภายในเป็นไนะคืออุปาทินอากาศรูปอันเป็นภัยภายในเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนถึงความเร่าร้อน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 อันความร้อนความเย็นส่วนหนึ่งก็อาศัยเลือดด้วยนะมนุษย์เป็นสารเลือดอะไรเลือดอุ่นนะถ้าช่วงไหนเลือดมันมันไม่ไม่ไหลเวียนนะเย็นจะเยือกเลยนะมีมีบางท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคเกี่ยว ก, กับมาลาเรียอย่างนี้ใช่ไหมเลือดมันไม่ไหลเวียนเนี่ยมันเย็นจะเยือกหมดเลยนะซอนเพราะเลือดไม่ไหลเวียนแล้วะอันเลือดนี้ก็ช่วยทําให้เกิดความอบอุ่นด้วยเหมือนกันเพราะนั่นเตโจธาตุเนี่ยมีความสำพันธ์ต่อร่างกายนี้มาก ร้อนเกินไปดูสิไม่ไหวเย็นเกินไปก็ไม่ไหวถ้ามันร้อนเฉพาะที่เป็นไงก็ปว ด, ด่สิเช่นมันร้อนในศีรษะมากก็เรียกว่าปวดหัวร้อนที่ขามากก็เรียกว่าปวดขาอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของเตโชธาตนนแ ล, ล้พอรคมะเร็งโรคอะไรก็คือลักษณะของเตโชธาตเตโชธาตมีกี่สมุทฐานหนึ่งเกิดจากกรรมสองเกิดจากจิตสามเกิดจากอุตุสี่เกิดจากอาหาร เวลามันเกิดกะเออเนี่ยมันมหาภูติรูปเหมือนกับงูเห่านั่นแหละเลี้ยงในเชือกลักเพราะฉะนั้นพิจารณามหาภูติรูปเหล่านี้ก็เตโชธาต์อันใดแหลเป็นไปในภายในเตโชธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นเตโชธาต์แหลบัณฑิตเพึงเห็นเตโชธาต์นั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราของเราหรือเปล่าของเราก็น่าจะฟังกันบ้างอ่ะเนาะปวดน้อยน้อยได้ไ้ย ไม่ฟังหรอกเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราหรือว่าเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราก็คือเห็นยังไงเห็นว่าเตโชธาตุนั้นก็เป็นของที่เกิดด้วยปัจจยัยและคือกรรมจิตอุตูอาหารเป็นต้นเป็นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าปัจจัยเหล่านั้นไม่มีก็มีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นของที่อยู่ไม่ได้ บันดิตครั้นเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนับในเตโชธาตอันเตโชธาตเนี่ยมีความสําคัญมากนะหน้าหนาวกว่าเตโชนั่นแล้วหน้าร้อนเตโชนั่นแล้วอันหน้าฝนนี่ก็อาโปก็เกี่ยวกับธาตุธาตุนั่นนะในพ้นนั้นมหาภูตรูปนี่มันวิจิตจริงๆนะในสมัยที่เตโชธาตอันเป็นไปในภายนอก กำเริบย่อมมีได้แหลเตโชธาติอันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมไหม้บ้านบ้างเคยเห็นไฟไหม้บ้านไหมย่อมไหม้เมืองบ้างไฟไหม้เมืองก็มีไหม้นีิคมบ้างไหม้ชนบทบ้างไหม้ประเทศแห่งชนบทบ้างเตโชธาติอันเป็นไปในภายนอกนั้นมาถึงหญ้าสดไหม้มาเรื่อยๆถึงหญ้าสดเป็นไงมอดใช่พอไฟนี่มาถึงหนทางมอดมาถึงภูเขากระดับอีก หรือมาถึงแม่น้ําหรือภูมิภาคอันเป็นที่รื่นรมก็ไม่มีเชื้อย่อมดับไปนั่นเองดังนั้นไฟเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเชื้อถ้าไม่มีเชื้อนั้นนนัน้ไฟก็ย่อมหมดไปดับไปฉันใดขนาดมันใหญ่โตขนาดนั้นใช่ไหมอย่างไฟไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้นิคมอ่ะถ้ามันมอดจนหมดเชื้อแล้วเหลือไหมไฟเองก็ไม่เหลือเหมือนกันขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยังหมดก็ความที่เตโชธา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 ไปแล้วแต่ใครนะบางคนก็อายุยืนหน่อยก็แล้วเาปีหาทํายายากเลยเกิส่วนใหญ่เท่าไหร่ส่วนใหญ่โอหลายสิบ ป, ปีเหมือนกันนะแต่แล้วเราอะ่ะเราก็แน่นอนไหมเมื่ อ, อไหร่ของเราเนี่ยไม่รู้เลยเนาะเมื่ อ, อไหร่ก็บอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้คือเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายและพบที่ไปในเบื้องหน้านี่รู้ยากมากไปเอาแน่นอนอะไรใช่ไหม คนอื่นจริงเขาอายุร้อยกว่าขวบของเราจะถึงหรือเปล่าของมาริดศึกษาธรรมะก่อนเนี้ยวเกิดใหม่จะได้เลือกเกิดดีๆหน่อยใช่ไหมยออศึกษาเพื่อเกิดอีกก็ศึกษาเพื่อทุกนันแหละอย่างยินดีในการเกิดก็ยังยินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกอา้าเกิดอีกก็ทุกอีกกันวแหละอันร่างกายเนี่ยนะเป็นของที่มีพอประมาณเนี่ยกายอันนี้ก็ไม่เที่ยง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 ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แลคําสอนของพระผู้มีมาพระภาคเจ้าเป็นอันที่สูงนั้นทําให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็วาโยธาตเป็นไนะคือวาโยธาที่เป็นภายในก็มีวาโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวาโยธาที่เป็นภายภายในเป็นไงนะคือโอปาทินหากาโรคอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปมา ถึงความเป็นของพัดไปมาที่อยู่ในภายในเนี่ยนะก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนเช่นเคยเรอไหมพวกเรอพวกเสกลมมันตีขึ้นอ่ะลักษณะนะั้นลมพัดลงเบื้องต่ำนะเช่นช่วยในการขับถ่ายเป็นต้นลมมันอยู่ในท้องอยู่ในท้องก็คือลมที่อยู่นอกลําไส้แล้วก็ลมที่อยู่ในลําไส้พวกแก๊สพวกอะไรนั่นแหละลมมันแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมที่ทําให้คู่เข้าทําให้เหยียดออกทาให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตตชาวายโยธาเนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หรืออุปาทินากาเรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปมาถึงความเป็นของพัดไปมาอย่างอื่นนี้เรียกว่าวายโยธาอันเป็นไปในภายใน ก็วาโยธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในและวาโยธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นวาโยธาต์แหลบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาต์นั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้วันนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือพิจารณาโดยความเป็นของที่เกิดด้วยสมุธานวาโยธาตเหล่านี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดจากจิตเป็นสมุฐานที่เหลือเกิดจากสมุฐานสี่อย่างด้วยกั บัณฑิตครั้นเห็นวายโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนับในวาโยธาอันถ้าพิจารณาบ่อยๆปั๊บกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ยึดถือในวาโยธาจนเกินไปวาโยธาตที่เป็นภัยภายนอกกำเริบย่อมมีได้แหละวาโยธาตภายนอกนะ ก็คือวายโยธาตอันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมพัดเอาบ้านไปบ้างพัดเอานี้คมไปบ้างพัดเอานครไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนระบทไปบ้างก็คือพวกพายุอ่ะนะพายุเนี่ยบางทีเนี่ยถอนบ้านถอนเรือนถอนตึกราม้านช่องเนี่ยมันถอนไปเลยนะมันไฟโอ้โหเต้นไปหมดเลยแถวบ้านอาตมาเนี่ยอ่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยโหต้นไม้เนี่ยลมเป็นทางเลยเลยนะลมมันหมุนอะถอนต้นไม้ต้นโตโตนี่นะถอนต้นใหญ่กว่าเสาเนี่ยถอนไปหมดอะ ลมมันแรงบางแห่งเนี่ยพัดเอาบ้านพัดเอาเมืองพัดเอานิคมพัดเอาชนบทสมัยที่ชนทั้งหลายแสวงหาลมด้วยพัดใบตานบ้างนะขนาดมันใหญ่ขนาดนั้นมันยังหมดไปเลยบางทีก็ต้องนั่งพัดเลยนะอย่างนนะขาดลมมันน้อยอ่ะต้องพัดเอาอ่ะอันพัดลมที่พัดไฟบ้างหรือว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนในที่ชายคาชายาทั้งหลายก็ไม่ไหวนะเคยเห็นไหม ใบไม้พ่ายภผยมันยังไม่กระดิกเลยอ่ะลมรุ่มหายไปไหนหมดใช่ไหมร้อนอบอ้าวตับแตกเลยก็ได้คลายฝนอย่าตกเลี๋ยนะก็าชื่อว่าความที่แห่งวายโยธาอันเป็นไปในภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของแปรปลวนไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้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 เมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามาตันหามานะและทิถฐ์ในวายโยธะจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยหากว่าชนเหล่าอื่นจะพึงด่าตัดพอ่อจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นไซภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราถูกด่ามาแล้วเั้นเถอะก็แปลว่าทุกขเวทนานั่นแลอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้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 จิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเที่ยวของที่ส่นั้นย่อมแล่นไปย่อมผองไส ย, ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นเจริญวิปั ส, สนาพี่าจรณาจริงๆเนี่ยสามารถหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอุปาทานพ้นจากการยึดถือหากชนเหล่าเอินจะพยายามทำร้ายที่ส่นั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรานะไม่น่าใครไม่น่าพอใจด้วยการประหารด้วยฟามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ ด้วยศาสตราทิกสูตนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพที่เป็นไปด้วยการประหารด้วยฝ่ามือประหารด้วยก้อนดินประหารด้วยท่อนไม้ที่เป็นไปด้วยการประหารด้วยศาสตราอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยในกะกะจูปมาสูตรว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤต่ำช้า พ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างไ้สยเคยเห็นเขาตัดไม้ตัดท่อนฟงใช่ยหมกัละ ข, ข้างแข็ๆแๆ ๆ, ๆนั่นแหละแต่ว่านี่ไม่ตัดไมือตัดคนอ่ะห่ไงพิสูอยังใจให้ประทุษร้ายในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้โกรขึ้นมาในขนาดนั้นขนานั้นเนี่ยทิ้งไว้ผู้ใตเจ้าแ ล, ล้วล่ะ อันหนึ่งความเพียรอันเราปรารบแล้วจักเป็นคุณใชาติไม่ย่อหย่อนสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้วจักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมกายอันเราให้สงบแล้วจักเป็นสภาพไม่กวนกระวายจิตอันเราให้ตั้งมั่นแล้วจักเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวก็คือกุศลจิตมันเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพอกุศลจิตเกิดขึ้นมากๆแล้วคราวนี้เรียกว่ามีมีอาวุธและมีกุศลธรรมเกิดในภายในมากแล้ว คราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปภายในกายนี้ก่ด็ดีการประหารด้วยก้อนดินการประหารด้วยท่อนไม้จะเป็นไปในกายนี้ก่ด็ดีการประหารด้วยศาสตราจะเป็นไปในกายนี้ก่ด็ดีตามทีเถิดคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เราจะทําให้จงได้มันจะเป็นยังไงก็ช่างาจะเจริญกุศลธรรมนี่จะปะฏิบัติธรรมนี่แหละดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูุนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นึกยังไงกุศลก็ไม่เกิดแต่ยังทําไงดีเพกสูนัน้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราเนอะลาภไม่มีแก่เราหนอะเราไม่ได้ดีแล้วหนอด้วยการได้ดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้ อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีดังนี้เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจแม่ฉันใดหากว่าเมื่อพิสูจนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยดีพิสูจนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแล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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยไม้และถาวัรดินเหนียวและหญ้าแวดล้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนฉันใดสมัยก่อนนะนะบ้านสมัยก่อนบ้านสมัยนี้ก็อาศัยเสาบ้างฟ้าบ้างหลังคาบ้างอย่างเงี้ยนับว่าเรือนฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยกระดูกอาศัยเอน็นเนื้อและหนังแวดล้อมแล้วย่อมนับว่ารูปฉะนนั้นเหมือนกันแหละ หากว่าจาักสุอันเป็นไปในภายในไม่แตกขายแล้วคือตาเนี่ยถ้าตาไม่แตกไปก่อนและรูปอันเป็นไปในภายนอกย่อมไม่ปรากฏทั้งความกําหนดอันเกิดแต่จักรสุและรูปนั้นไม่มีความปรากฏส่วนแห่งวิญญาณ น, นั้นอันเกิดแต่การกําหนดนั้นก็ยังมีไม่ได้ก่อนคือเหตุปัจจัยแห่งการเห็นมีสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งตาสองสีสามแสงสว่างสีมนฑสิกาแต่อันนี้เอามาแค่สามอย่างคือตาสีมนฑสิการ สามอย่างเนี่ยนะถ้าตามีสีไม่มีจิตคิดจะเห็นไม่มีจะครูวิญญาณเกิดไหมไม่เกิดตามีสีมีแต่ไม่คิดจะเห็นเห็นไหมไม่เห็นก็คือสีหลายอย่างเนี่ยมีนะอย่างเช่นสมมุตินะตามีสีมีกระดุมเสื้อคุณวิลาวานันมีแต่ไม่สนใจดูมันก็ไม่เห็นอันมณสิการเนี่ยจึงทําให้เห็นทีนี้ถ้าตามี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 รูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยยกในทางตาที่เกิดขึ้นนั่นคือรูปเวทนาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดเวทนานั้นก็ย่อมสงเคราะห์ในอุปาทานาคารคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดสัญญานั้นสงเคราะห์ในอุปาทานาคารคือสัญญาสังขารแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นเหล่าใดสังขารเหล่านั้นย่อมสงเคราะห์ในอุปาทานาคารคือสังขาร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 เป็นหลาขันเวทนาสัญญาขันสังขารขันรูปก็เป็นรูปประคัตสลายตระนะเป็นได้ทั้งรูปประคัตและวิญญาณขันเป็นได้ทั้งหลายขันนั้นธรรมะที่อาศัยการและการเกิดขึ้นก็คือขันห้านั่นแหละความพอใจความอาลัยความเยื่อใหญ่ความยินดีความหมกมุ่นในอุปาทานขันห้าเหล่านี้อันใดอันนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยความยินดีในขันห้าตัวนี้แหละคือตัวเหตุแห่ง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 กับความยินดีซะเราถามว่าละได้ง่ายๆหรือไม่รู้จริงละไม่ได้หรอกเขาว่าละเธอละเธอเราไม่ละรอกก็ถ้ายังเห็นว่ามันดีถ้ายังยินดีในทุกอยู่มันละไม่ได้ต้องพิจารณาจริงๆมันจึงจะละได้ละได้ละได้นี่เป็นปัญหาปริญญาใช่ไหมปัญหาปริญญาต้องมีตีรณปริญญาตีรณะปัญญาต้องอาศัยญาติปิญญาญาติปิญญานั้นต้องศึกษาต้องเล่าเรียนต้องปฏิบัติมาพอสมควรจึงจะรู้ได้ ดูก่อน u, ท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสูนนั้นทาให้มากแล้วทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ในยัก์เดียวกันดูก่อน u, ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันทำให้หมดแล้ว